ต้องทำให้เป็นไปตามระเบียบตามลำดับอย่างรัดกุมระเบียบปฏิบัติเพื่อทำให้เกิดความเห็นแจ้งนี้เพิ่งเรียกกันในยุคอัตถกาถาโดยชื่อใหม่ว่าวิปัสนาธุระให้เป็นคู่กันกับคันถาธุระซึ่งเป็นเรื่องการเรียนตําราโดยตรงวิปัสนาธุระ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 แต่โดยที่แท้แล้วคำว่าวิปั ส, สนาธุระต้องกินความรวมหมดทั้งสมาถาภาวนาและวิปั ส, สนาภาวนาคือหมายถึงทั้งสมาธิและปัญญานั่นเองและยิ่งไปกว่านั้นยังรวมเอาศีลซึ่งไม่ใช่ตัวภาวนาอะไรเลยเข้าไปอีกด้วยในฐานะเป็นบริวารหรือเป็นบาทฐานของสมาธิ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 เป็นกิจที่เรียกว่าวิปัสนาและอะไรจะเป็นผลสุดท้ายของวิปัสนาเมื่อตั้งปัญหาว่าอะไรเป็นที่ตั้งที่อาศัยของวิปัสนาก็ตอบว่าศีลกับสมาธิเป็นที่ตั้งที่อาศัยของวิปัสนาเพราะวิปัสนาหมายถึงการรู้แจ้งเห็นจริงซึ่งจะเกิดขึ้นมาได้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 ก็ได้มีการกล่าวถึงความบริสุทธิ์สะดวกของการปฏิบัติเป็นขั้นขั้นไปตามลำดับจนครบ7อย่างถึงที่สุดคือการบรรลุมรรคผลในขั้นแห่งความบริสุทธิ์เจ็อย่างนั้นท่านก็ยกเอาศีลเป็นข้อแรกเรียกว่าศีลวิสุทธิคือความหมดจดแห่งความประพฤติศีลวิสุทธิก็ส่งให้เกิด จิตตะวิสุทธิคือความหมดจดแห่งจิตความหมดจดแห่งจิตก็ส่งให้เกิดทิฏฐิวิสุทธิคือความหมดจดแห่งความเห็นความหมดจดแห่งทิฏฐิก็ส่งให้เกิดกังขาวิตารณะวิสุทธิคือความหมดจดแห่งความรู้ที่จะข้ามความสงสัยเสียได้ต่อไปความหมดจดแห่งความรู้ เป็นเครื่องข้ามความสงสัยก็จะส่งให้เกิดมาาัคคามัคคยานะทัศนวิสุทธิคือความหมดจดแห่งความเห็นแจ้งว่าอะไรเป็นหนทางอะไรไม่ใช่หนทางความหมดจดในความรู้ว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางนี้ก็จะส่งให้เกิดปฏิ ป, ปทาญาณนะทัศนวิสุทธิคือความหมดจด แห่งความรู้ความเห็นในตัวการปฏิบัตินั้นๆปฏิปทายานทัศนวิสุทธินี้ก็จะส่งให้เกิดยาณทัศนวิสุทธิอันเป็นขั้นสุดท้ายคืออริยมรรคซึ่งเป็นคู่กันกับอริยผลผลเป็นสิ่งที่เกิดจากมรรคเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นฉะนั้น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 ทางกายวาจาก็ย่อมจะเกิดความสงบในทางจิตใจเหมาะที่จะปฏิบัติงานทางด้านจิตต่อไปคือทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตารณะวิสุทธิมักขามัคขยานะทัศนะวิสุทธิปฏิปทายานะทัศนวิสุทธิและยานะทัศนะวิสุทธินั้นเป็นตัววิปัสสนาแท้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 จนทำให้เกิดความหวาดกลัวเลยต้องทำพิธีรีตองต่างๆตามความเชื่อความเห็นผิดเหล่านั้นนี่เราเรียกว่าความเห็นยังไม่สะอาดหมดจดจะต้องเริ่มละความเห็นที่เลวไหลอ ย, อย่างผิดๆใ น, นท่านหยาบๆทำนองนั้นไปให้หมดเสียก่อนจึงจะเป็นวิปัสสนาตัวที่หนึ่งเรียกว่าทิฏฐิวิสุท ธ, ธิ วิปั ส, สนาตัวที่สองกังขาวิตารณะวิสุทธิก็คือการพิจารณาลงไปถึงเหตุดั้งเดิมทิฏฐิวิสุทธิทำให้เห็นคนคนหนึ่งเป็นเพียงกายกับใจกังขาระวิตารณะวิสุทธินี้มีหน้าที่แยกดูว่ากายกับใจแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี้มีมูลเหตุสร้างสารร่วมกันมาอย่างไรฉะนั้น จึงมองลึกลงไปอีกว่าความรู้ความอยากความยึดติดกรรมอาหารมันสร้างสารรค์ปรุงแต่งกันมาอย่างละเอียดประณีตจนกระทั่งเกิดสิ่งที่เรียกว่ากายกับใจกังขาวิตารณะวิสุทธิกล่าวคือความหมดจดแห่งความรู้ที่จะให้ข้ามความสงสัยเสียได้นี้จึงมีความหมายถึงความเห็นแจ้ง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 แล้วเริ่มเลิกความเข้าใจเคลว้ลวๆว่ามีตัวเราอยู่เรามีมาแล้วเราจะมีต่อไปนั้นเสียเมื่อความสงสัยชนิดนี้ระ ง, งับไปแล้วก็เรียกว่าเป็นวิปัสสนาตัวที่สองแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการถอนอุ ป, ปาทานว่ามีตัวเราได้โดยสิ้นเชิงเพราะส่วนที่ละเอียดกว่านั้นยังมีอยู่อีก ความสงสัยเหล่านี้ได้ระ ง, งับไปเพราะเรามีความรู้เรื่องการปรุงแต่งของเหตุปัจจัยต่างๆจนเพิกถอนความเชื่อว่ามีตัวเราชั้นห ย, ยาบๆนี้เสียได้วิปัสสนาตัวที่สเมื่อข้ามความสงสัยเช่นนี้ได้แล้วก็สามารถทำให้เกิดมรคคามัคยานะทัศนวิสุทธิ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 และจับอกจับใจแก่ผู้ทำ ม, มากเหลือเกินเช่นเห็นแสงสว่างรุ่งเรืองหน้าอัศจรรย์ปรากฏอยู่ที่ตาในาโดยไม่ต้องลืมตาถ้ายิ่งไปโน้มจิตเพื่อให้เห็นนั่นเห็นนี่เข้าด้วยก็ยิ่งไปกันใหญ่ถ้าใครเข้าใจผิดว่านี่แล้วเป็นผลของวิปัสสนาหรือยินดีว่านี่เป็นของวิเศษพอแล้วสาหรับเรา ดังนี้ก็ตามมันย่อมกั้นหนทางแห่งความเห็นแจ้งในมรรคผลท่านจึงว่าเป็นเรื่องผิดทางตัวอย่างอีกเรื่องหนึง่งเช่นเกิดปิติอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมาท่วมท้นจิตใจเสียเรื่อยตลอดเวลาจนไม่อาจพิจารณาอะไรได้ต่อไปอีกหรือเกิดเข้าใจว่า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 พ้งซาอยู่ด้วยความเห็นผิดๆต่างๆในเรื่องเหล่านั้นนี่ก็นับว่าเป็นอุปสรรคของวิปัสนาในบางกรณีผู้ทาสมาธิใช้อำนาจจิตตนเองบังคับให้ร่างกายรำงับจนแข็งทื่อไม่มีสติที่จะพิจารณาธรรมะหรือจะน้อมไปเพื่อความเพียรอันสูงขึ้นไปนี่ก็นับว่า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 ตลอดเวลาที่เขาเป็นอยู่อย่างนั้นถ้าเขาเกิดความพอใจในความเป็นอย่างนั้นอยู่เพียงแค่นั้นแล้วก็เป็นการตัดหนทางทางก้าวหน้าของวิปัสสนาและไม่เท่าไรอาการเช่นนั้นก็จะค่อยๆเสื่อมหายไปสิ่งที่เคยกลัวก็จะกลับกลัวอย่างเดิมสิ่งที่ตนเคยรักก็จะกลับรักอย่างเดิมอะไรอะไรก็จะกลับสู่สภาพเดิม หรืออาจมากเกินไปกว่าเดิ ม, ดมอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อความเชื่อที่ไม่เคยแน่นแฟ้นมาแต่ก่อนก็จะปรากฏว่าแน่นแฟ้นเช่นเชื่อในพระรัตนตรัยหรือในสิ่งที่ตัวนึกจะเชื่อแม้ที่สุดเช่นความพอใจในธรรมมะก็จะมีอาการรุนแรงลักษณะของความเฉยต่อสิ่งทั้งปวงมีอาการชัดแจ้ง ล้วนแต่เป็นอาการจูงใจให้หลงผิดคิดว่าตนได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วเป็นการยากมากที่คนแรกพบสิ่งเหล่านี้จะเข้าใจได้ว่ามันเป็นอุปสรรคและเป็นเครื่องกีดขวางทางของวิปัสสนามีแต่จะกลับเห็นไปเสียว่านี้เป็นยอดสุดของวิปัสสนาทีเดียวต่อเมื่อใด เกิดความรู้แจ้งจริงๆว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งกีดขวางทางของวิปัสสนาขั้นที่จะทำการตัดกิเลสละเอียดเสียได้เมื่อนั้นจึงจะถือได้ว่าเป็นวิปัสสนาตัวที่สามคือความบริสุทธิ์หมดจดของความรู้ความเห็นที่ว่าอะไรเป็นทางถูกอะไรเป็นทางผิดเขาจะต้องศึกษาอบรมตน ดำรงตนให้เดินไปในทางที่ถูกไว้เรื่อยๆไปจนเกิดความรู้ชัดแจ้งในหนทางของวิปัสสนาที่ถูกที่แท้โดยประการทั้งปวงวิปัสสนาตัวที่4เมื่อมีความเข้าใจในเรื่องทางผิดทางถูกโดยสมบูรณ์เช่นนี้แล้วความรู้ในอันดับต่อไปก็จะต้องดำเนินถูกทางเป็นธรรมดา และจะก้าวหน้าไปตามลำดับนับตั้งแต่เห็นความจริงในสังขารทั้งปวงชัดแจ้งถึงที่สุดจนกระทั่งวางเฉยในสิ่งทั้งปวงมีจิตพร้อมที่จะบรรลุถึงการรู้อริยสัจ ท, ที่เป็นคุณธรรมชั้นวิเศษสืบไปเรียกว่าปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิซึ่งแปลว่าความหมดจด แห่งความรู้ความเห็นในตัวทางแห่งการปฏิบัตินับเป็นวิปั ส, สนาตัวที่สหรือนับเป็นวิสุทธิอันดับที่6เนื่องจากไม่มีคำอธิบายอันละเอียดของยานนี้ในพระไตรปิฎกโดยตรงอาจารย์ในชั้นหลังๆจึงจำแนกลำดับความรู้ในตัวทางแห่งการปฏิบัติเป็น9ลําดับด้วยกันและเรียกว่าวิปัสนาญาณ9คือ หเมื่อวิปัสสนาดำเนินไปถูกทางและการเพ่งพิจารณาความเกิดแก่เจ็บตายของสังขารถึงที่สุดแล้วก็เพ่งพิจารณาให้แน่วแน่ในภาวะความเกิดขึ้นและความเสื่อมสลายไปของสังขารเหล่านั้นจนแจมแจ้งถึงที่สุดคือมองเห็นภาวะทั้งหลายเต็มไปด้วยการเกิดและการดับเหมือนท้องทะเลร ะ, ระยิบระยับ เต็มไปด้วยการเกิดและการดับของฟองน้ำที่เกิดจากลูกคลื่นฉันใดก็ฉันนั้นความรู้ที่ได้ในขณะนี้เรียกว่าอุทย พ, พยานุปัสนายานและว่าความรู้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมสลายไปหรือมักเรียกสั้นๆว่าอุทย พ, พ ย, ายาัญาา การเห็นเหล่านี้เกิดจากการเพ่งพิจารณาให้เห็นชัดและนานพอจนกว่าความรู้นั้นจะแน่นแฟนเหมือนกับย้อมติดอยู่ในใจเพื่อให้มีกำลังแรงมากพอที่จะเบื่อหน่ายไถทอนความยึดติดในสิ่งต่างๆเสียได้นี้เป็นวิปัสสนาญาณอันดับที่หนึ่ง 2. การเพ่งพิจารณาความเกิดขึ้นและความเสื่อมสลายไปถึงสองประการในความเดียวกันนั้นยังหยาบอยู่ยังพรากว่าที่จะเพ่งเพียงอย่างเดียวในขั้นนี้ท่านจึงให้ทิ้งเสียอย่างหนึ่งคือไม่เพ่งดูฝ่ายเกิดเพ่งดูแต่ฝ่ายดับเพื่อให้เห็นความสลายหรือความดับลึกซึ้งรุนแรงถึงที่สุดจนกระทั่งรู้สึกว่า ในโลกทั้งปวงไม่มีอะไรนอกจากความพังทลายหรือความแตกดับทั่วไปหมดเหมือนกับหาฝนตกลงมาทั่วไปทุกหนทุกแห่งจิตที่อยู่ในความรู้สึกเช่นนี้เรียกว่าประกอบอยู่ด้วยพังคานุปัสสนาญาณแปลว่าความรู้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นความพังทลายหรือความดับเรียกสั้นๆว่าพังคยาน นี้เป็นวิปัสนาญาณอันดับที่สองสามเมื่อความเห็นแจ้งในความแตกเสื่อมสลายมีมากเพียงพอแล้วก็จะทำให้เกิดความรู้แจ้งต่อไปเป็นอันดับที่สามว่าภาวะคือความมีความเป็นทั้งหลายนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวความน่ากลัวปรากฏเต็มไปในภพทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นกา ร, รมาภพ รูปประพบหรืออรูปประพบก็ตามพบทั้งปวงเต็มไปด้วยภาวะที่น่ากลัวเพราะมีความแตกทำลายของสังขารทั้งปวงอยู่ทุกขณะจิตจึงเกิดเป็นความหวาดกลัวสะดุ้งถึงที่สุดจริงๆขึ้นในใจของผู้เห็นแจ้งและความกลัวอันถูกต้องนั้นจะประจำอยู่ในใจเป็นความเห็นแจ้งชนิดหนึ่ง ว่ามีแต่ความน่ากลัวเปรียบประดุดยาพิษอาวุธหรือโจรอันโหดร้ายทั้งนั้นที่บรรจุอยู่ในภพทั้งสามเต็มไปหมดไม่มีอะไรนอกไปจากนั้นความรู้สึกเช่นนี้ท่านเรียกว่าพยาตุปัฏฐานญาณแปลว่าความรู้แจ้งเห็นภาวะทั้งหลายว่าเต็มไปด้วยความน่ากลัวเรียกสั้นๆว่าพยาญยาณ จัดเป็นวิปัสนาญาณอันดับที่สามเมื่อรู้สึกว่าในภาวะทั้งปวงเต็มไปด้วยความน่ากลัวมากพอต่อไปก็จะเกิดความรู้แจ้งขึ้นมาว่าสภาพของสิ่งทั้งปวงประกอบด้วยโทษอันร้ายกาดโดยส่วนเดียวไม่มีความปลอดภัยในการที่จะไปหลงเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้น เปรียบเหมือนป่าที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายไม่เป็นที่น่าอาภิรมแก่ผู้ต้องการความเพลิดเพลินจากป่าฉันใดก็ฉันนั้นความรู้สึกเห็นสภาพทั้งปวงเต็มไปด้วยโทษต่างๆเช่นนี้เรียกว่าอธีนวานุปัสนาญาแปลว่าความรู้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นโทษของสังขารทั้งปวงเรียกสั้นๆว่าอทีนวญาณ จัดเป็นวิปัสนาญาณอันดับที่ส 5. เมื่อพิจารณามองเห็นว่าสิ่งทั้งหลายย่อมเต็มไปด้วยโทษทุกทุกกระเบียดนิ้วเช่นนี้แล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายในภาวะทั้งปวงเห็นเป็นเหมือนกับบ้านเรือนที่ถูกไฟไหมเหลือแต่ดุ้นทานดูเป็นรูปโครงของบ้านเรือนที่ถูกไฟไหมไม่น่าสเสน่หาแต่ประการใด ความรู้สึกเบื่อหน่ายต่อการที่จะต้องรับคนอยู่กับสิ่งปรุงแต่งทั้งปวงนี้เรียกว่านิพพิธานุ ป, ปัสสนาญาณแปลว่าความรู้ทําให้เกิดความเบื่อหน่ายเรียกสั้นๆว่านิพพิธาญานนับเป็นวิปัสสนาญาณอันดับที่ห 6. เมื่อเกิดความเบื่อหน่ายที่แท้จริงเช่นนี้ก็เกิดความรู้สึก ที่อยากจะพ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นจริงๆซึ่งไม่เหมือนกับความรู้สึกอยากพ้นตามธรรมดาของพวกเราซึ่งไม่มีกำลังของสมาธิหรือกำลังของความเห็นแจ้งช่วยอยู่มันจึงไม่อยากพ้นจริงเหมือนอย่างความเห็นที่เกิดตามลำดับแห่งวิปัสสนาญาณเพราะความเบื่อหน่ายที่เกิดขึ้นโดยอำนาจวิปัสสนาญาณ น, นั้นจิตใจมันเป็นไปด้วยทั้งหมด รู้สึกกลัวเท่าไรก็รู้สึกอยากพ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นการอยากพ้นจริงๆท่านอุปมาว่ามีความอยากพ้นมากขนาดเท่าๆกับความอยากพ้นของสัตว์เช่นเขียดซึ่งกำลังดิ้นอยู่ในปากงูมันอยากพ้นเท่าไรก็ลองคิดดูเอาเถิดเดี๋ยวนี้คนที่มีนิพพิทาญาณแล้วก็อยากจะพ้นจากภาวะทั้งปวงมากเท่านั้น หรือเปรียบอย่างเนื้อหรือนกที่ติดบ่วงดิ้นเร่าๆอยู่มันอยากพ้นจากบ่วงนั้นเท่าไรเขาก็อยากพ้นจากสังขารทุกมากเท่านั้นความรู้สึกอยากจะพ้นจริงๆทำนองนี้เรียกว่ามุลจิตตุกรร ม, มะยะตายานซึ่งแปลว่าความรู้เป็นเหตุให้เกิดความปรารถนาที่จะพ้นทุกนับเป็นวิปัสสนาญาณอันดับที่6ก ทีนี้เมื่อความอยากพ้นอย่างรุนแรงมีมากพอจึงเกิดความรู้สึกดิ้นรนหาหนทางอย่างรุนแรงเช่นกันท่านเรียกชื่อของความรู้สึกนี้เป็นภาษาบาลีว่าปฏิสังขานุปัสนาญาณแปลว่าความรู้เพื่อกําหนดพิจารณาหาทางหลุดรอดกล่าวง่ายๆก็คือการมองสอดส่องไปเรื่อยๆว่า เมื่อภาวะทั้งหลายเป็นอย่างนี้ทั้งเราก็อยากจะพ้นจากมันพิจารณาไปก็มองเห็นอุปาทานมองเห็นกิเลสซึ่งเป็นเหตุผูกพันจิตให้ติดอยู่กับภาวะนั้นๆว่ามันมีอยู่อย่างเหนียวแน่นจึงหาหนทางต่อไปในอันที่จะทําให้กิเลสนั้นอ่อนกำลังลงเสียก่อนเมื่อเห็นความอ่อนกำลังลงของกิเลสนั้นแล้วจึงทาลายมันเสีย ท่านอุปมาการทำลายกิเลสให้อ่อนกำลังไว้ว่าเหมือนกับคนหนึ่งไปสุ่มหาปลาได้งูคิดว่าเป็นปลาก็เอามาถือไว้ใครบอกว่างูก็ไม่เชื่อจนกระทั่งได้อาจารย์ซึ่งมีสติปัญญาเมตตากรุณามากมาพร่ำชี้แจงจนรู้ว่ามันเป็นงูไม่ใช่ปลาจึงเกิดกลัวขึ้นมาอยากจะพ้นจากงู ด้วยการหาวิธีฆ่างูนั้นเสียเขาได้จับคองูชูขึ้นเหนือศีรษะแล้วแกว่งเป็นวงกลมจนกระทั่งงูเพลียแล้วปล่อยให้งูกระเด็นไปตกนอนตายถ้าไม่ตายก็ตามไปฆ่าเสียให้ตายอุปมานี้ท่านหมายถึงความเห็นแจ้งว่าสิ่งที่ผูกพันคนให้ติดอยู่กับภาวะต่างๆอย่างน่ากลัว หน้าสังเวทที่สุดนั้นคือกิเลสถ้าไม่มีอุบายทำให้กิเลสถอยกำลังลงทุกวันทุกวันแล้วการฆากิเลสย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะกิเลสมีกำลังมากเหลือเกินเหลือกำลังของปัญญาที่ยังน้อยจะไปฆามันได้จึงต้องบ่มปัญญาให้เกิดมากขึ้นและพร้อมกันนั้นก็ทรมานกิเลสให้มันถอยกำลังลง การพิจารณาให้เห็นสิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่น่าเอาไม่น่าเป็นอยู่เสมอและยิ่งยิ่งขึ้นนั่นแหละเป็นการตัดอาหารของกิเลสทำให้กิเลสถอยกำลังอยู่เป็นประจำวันเสมอไปและเราจะต้องทำเพิ่มให้มากขึ้นให้แยบคายยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนี่เป็นช่องทางที่เราจะเอาชนะกิเลสซึ่งใหญ่เท่าภูเขา ด้วยตัวเราเล็กนิดเดียวนี้ได้ท่านเปรียบว่าต้องมีความกล้าให้มากพอเท่ากับว่าตัวเราเป็นหนูตัวนิดเดียวก็กลัวฆ่าเสือโคร่งสองสตัวเป็นต้นเราต้องมีความตั้งใจจริงสอดส่องหาหนทางตามประสาหนูตัวเล็กๆถ้าสู้ซึ่งหน้าไม่ได้ก็ต้องใช้อุบายวิธีต่างๆ ทำให้มันอ่อนกำลังลงทุกๆวันแล้วก็ไม่ลดละติดตามค่าอยู่เสมอเสมออุบายอย่างนี้ท่านเรียกว่าปฏิสังขานุปัสนาญาณจัดเป็นวิปัสนาญาณอันดับที่7 8. การทำให้กิเลสอ่อนกำลังลงนั้นเป็นเหตุทำให้เราวางเฉยในสิ่งทั้งปวงได้ยิ่งขึ้นทุกทีฉะนั้นโอกาสต่อไปนี้ จึงเป็นลำดับแห่งสังขารู้เปกขายานซึ่งแปลว่าความรู้อันเป็นเหตุให้วางเฉยในสังขารทั้งปวงยานนี้อาศัยการพิจารณาเห็นความว่างแห่งสังขารทั้งหลายว่าว่างจากแก่นสารว่างจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลว่างจากสาระคือความเที่ยงแท้ถาวรว่างจากความสุขเพราะเต็มไปด้วยความทุกข์ ว่างจากความงดงามเพราะดูแล้วล้วนแต่หน้าระอาดังนี้เป็นต้นในที่สุดก็เกิดความวางเฉยในสิ่งทั้งปวงในทุกๆภาวะเห็นสิ่งที่เคยรักหลงไหลเป็นก้อนอีดก้อนดินไปท่านเปรียบความข้อนี้ว่าเหมือนกับคนที่เคยรักกันมาก่อนบัดนี้ปรากฏว่าเป็นกระบฏก็หมดรัก เช่นในกรณีที่เมียมีชู้เลยหมดรักครั้นหยาาขาดจากกันแล้วเขาจะไปทำอะไรต่อไปก็ได้ใจเราเฉยได้ภาวะต่างๆที่แต่ก่อนนี้เคยเป็นที่อเร็จอร่อยนานาประการของตนเมื่อจิตสูงขึ้นมาถึงยานอันดับที่แปดนี้แล้วก็ทราบว่ามันว่างจากสาระใดๆจึงวางเฉยในภาวะทั้งปวงเสียได้ เหมือนบูรุษที่วางเฉยกับภรรยาที่หยาขาดจากกันแล้วเป็นต้นสังขารู้เป ก, กขายานนี้จัดเป็นวิปัสสนาญาณอันดับที่8เรียกสั้นๆว่าอุเบกขาญาณเก้าเมื่อวางเฉยในภาวะทั้งปวงได้อย่างนี้ใจก็พร้อมที่จะรู้อริยศสัสตร์4ชนิดที่จะทำให้ บรรลุถึงทางที่จะนำไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าจิตที่อยู่ในสภาพเช่นนี้ท่านเรียกว่าสัจจานุโลมิกยายนแปลว่าความเห็นที่พร้อมที่สุดที่จะรู้อริยสัจชนิดที่เป็นขั้นทำลายกิเลสเครื่องผูกพันคนให้ติดโลกให้หมดไปได้เป็นพระอริยบุคคลชั้นใดชั้นหนึ่ง นับเป็นวิปัสนาญาณอันดับที่9เรียกสั้นๆว่าอนุโลมิกญาณวิปัสนาเก้าลำดับนับตั้งแต่อุทยับพยานุปัสนาญาณไปจนถึงสัจจานุโลมิกญาณเป็นที่สุดนี้เมื่อเป็นไปอย่างสมบูรณ์เต็มที่แล้วเรียกว่าปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิเป็นวิปัสนาญาณตัวที่สี่ หรือนับเป็นวิสุธทธิอันดับที่6กล่าวคือความบริสุทธิ์สะอาดหมดจดแห่งปัญญาซึ่งเป็นเครื่องมือทำให้เห็นทางดำเนินไปของการพิจารณาจนเกิดปัญญาที่รู้แจ้งและตัดกิเลสได้วิปัสสนาตัวที่5ต่อจากนั้นก็ถึงวิสุธทธิอันดับ7ที่เรียกว่ายานัศสนะวิสุธทธิ คือความหมดจดแห่งความเห็นที่ถูกต้องซึ่งได้แก่อริยมรรคยานนั่นเองนี้เป็นขั้นสุดท้ายของวิปัสสนาหรือผลของวิปัสสนาได้แก่อริยมรรคยานทั้งสนับเป็นวิปัสสนาญาณตัวที่หในลําดับระหว่างสัจจานุโลมิกยานกับยานัทสนะวิสุทธินี้ มีโคตระภูยานแทรกอยู่ในฐานะที่เป็นเครื่องหมายขั้นระหว่างคนธรรมดาที่มีกิเลสกับพระอริยบุคคลแต่โดยที่โคตระภูยานมีขณะแวบเดียวแล้วก็ดับไปจึงควรสงเคราะห์เข้าไว้เสียในฝ่ายปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิเพราะยังอยู่ในฐานะที่เป็นฝ่ายบุญกุศลซึ่งยังคล้องแวะอยู่กับราคะ หรือเรื่องน่ายึดถือโดยสรุปเราจะเห็นได้ว่าหลักแห่งการศึกษาวิปัสสนานั้นมีรากฐานที่ตั้งคือศีลสมาธิปัญญาพิจารณาอะไรขอตอบว่าพิจารณาสิ่งทั้งปวงจะเรียกว่าโลกหรือภาวะหรือสังขารหรือขันห้าก็ได้เพราะว่าในภาวะทั้งหลาย ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าขันห้าพิจารณาให้เห็นอะไรตอบว่าให้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีเต็มไปในภาวะทั้งหลายของโลกเช่นเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดับไปจนเห็นว่าเต็มไปด้วยความน่ากลัวน่าเบื่อหน่ายไม่มีอะไรที่จะน่าเอาหน้าเป็นอาการเหล่านี้คือลักษณะ ที่จะต้องปรากฏในวิปัสสนาอะไรเป็นกิจของวิปัสสนากิจโดยตรงของวิปัสสนาก็คือการกําจัดความง่เพราะวิปัสสนาแปลว่าความเห็นแจ้งผลของวิปัสสนาคืออะไรผลก็คือเกิดความเห็นแจ้งเกิดความรู้แจ้งแทงตลอดในสิ่งทั้งปวงกําจัดกิเลสให้สูญสิ้นไป เป็นความสะอาดสว่างสงบไม่มีอะไรผูกพันจิตนี้ให้ติดอยู่กับภาวะทั้งหลายในโลกจึงเกิดลักษณะที่เรียกว่าหลุดพ้นออกจากโลกอันเป็นที่อยู่ของหมู่คนผู้ติดกามจิตไม่มีความทุกข์เพราะไม่มีตัณหาหรือความอยากแต่ประการใดต่อไปท่านเรียกอาการเช่นนี้ว่าถึงที่สุดแห่งกิจที่จะต้องกระทาในพระพุทธศาสนา ได้ด้วยการกระทำอย่างนี้ทั้งหมดนี้เป็นการชี้ให้เห็นว่าแนวแห่งปัญญาของเราจะเดินไปอย่างนี้คือมีลำดับแห่งความบริสุทธิ์สะอาดเจ็ดลำดับซึ่งจะต้องสัมพันธ์กันอย่างนี้และลักษณะการดำเนินของปัญญาที่จะเจาะแทงโลกทั้งหลายอีก9ก้าลำดับรวมเรียกว่าเรื่องวิปัสสนา ท่านจัดไว้ในลักษณะเป็นระเบียบหรือหลักวิชาส่วนรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆนั้นอาจหาได้จากหนังสือของครูบาอาจารย์สืบไปแต่โดยแนวใหญ่แล้วขอให้เข้าใจไว้อย่างนี้สำหรับป้องกันมิให้เกิดความเข้าใจผิดในการปฏิบัติธรรมอันเป็นชั้นยอดที่สูงสุดของพระพุทธศาสนา ปรากฏว่าในขณะนี้ยังมีคนที่หลงผิดอยู่เป็นจำนวนมากที่เข้าไปยึดเอาสิ่งที่ไม่ใช่วิปัสสนามาเป็นวิปัสสนาเลยทำให้เกิดเป็นวิปัสสนาการค้าหาเงินวิปัสสนาชวนเชื่อเพื่อให้ได้พักพวกแล้วแต่งตั้งให้เป็นพระอริยเจ้าแบบใหม่ๆอันอยู่ในสภาพที่น่าเวทนาอย่างยิ่งสรุปคำบาลีและความหมาย ในแนวการทำให้รู้แจ้งตามหลักวิชาหนึ่งสีแล้ววิสุทธิคือความหมดจดแห่งสีสองจิตตวิสุทธิคือความหมดจดแห่งจิตสามทิฏฐิวิสุทธิคือความหมดจดแห่งความเห็นสี 4. กังขาวิตารณะวิสุทธิคือความหมดจดแห่งความรู้เป็นเครื่องข้ามความสงสัย 5. มัคคามัคคยาณนะทัศนวิสุทธิคือความหมดจดแห่งความรู้ความเห็นที่ว่าเป็นทางหรือไม่ใช่ทาง 6. ปฏิปทายาณนะทัศนวิสุทธิ คือความหมดจดแห่งความรู้ความเห็นทางทางปฏิบัติ 6.1 อุทยรพยานุปัสนาญาณคือเห็นความเกิดและความดับสลาย 6.2 พังคานุปัสนาญาณคือเห็นความดับสลายโดยส่วนเดียว 6.3 พยาตุปัตฐานนายาณคือเห็นภาวะทั้งหลายเต็มไปด้วยความน่ากลัว 6.4 อาทีนวานุปัสนายานคือเห็นความเต็มไปด้วยโทษทุกข์ภัย 6.5 นิพพานุปัสนายานคือ เห็นความเบื่อหน่ายในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง 6.6 มูลจิตุกรรมมะะตาจยานคือความรู้ซึ่งทำให้เกิดความใคร่อย่างแรงกล้าที่จะพ้นทุกข์ 6.7 ปฏิสังขานุปัสนาญาณคือความรู้ทางพ้นทุกข์นั้นๆ 6.8 สังขารู้เปกขาญาณคือความรู้เป็นเครื่องปล่อยวางเฉย 6.9. สัจจานุโลมิกญาณคือความรู้ควรแก่การรู้อริยศัสตร์จ็ญาณทัศนวิสุทธิคือความหมดจดแห่งความรู้ความเห็นที่ถูกต้อง 7.1. อริยมร เจ็ดจุดสองอาริยผลคำกลอนสอนใจ เรียนธรรมะกับเรียนปรชัชญาเรียนอะไรท่าเรียนอย่างปรัชญาที่เทียบกับคำว่าฟิโลโซฟียิ่งพลาดจากธรรมะที่ควรมีเพราะเหตุที่ยิ่งเรียนไปยิ่งไม่ซึมเพราะเรียนอย่างคำนวณสิ่งไม่มีตัว